แถวนี้ผีดุบ้านเช่าสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากผู้หญิงที่ชื่อตุ้มเธอเล่าว่าเธอชื่อตุ้มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับครอบครัวของเธอที่เธอได้ไปเช่าบ้านอยู่ครอบครัวของเธอเพิ่งย้ายมาจากเหนือกำลังหาบ้านเช่าอยู่แล้วก็เจอบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ประกาศให้เช่า นี่แม่เราลองโทรไปไหมพ่อของเธอปรึกษากับแม่ของเธออย่างดีใจที่ว่าจะได้บ้านเช่าง่ายๆแม่เธอก็พยักหน้าเห็นดีด้วยก็ดีนะพ่องั้นเราโทรไปเลยดีกว่าจากนั้นพ่อก็โทรไปหาเจ้าของบ้านพ่อตกลงเช่าบ้านหลังนี้แล้วครอบครัวของเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นมีบริเวณรอบด้านกว้างขวางตกแต่งเป็นสวนไว้พอร่มรื่นตา ครอบครัวของเธอเช่าบ้านนี้ในราคาไม่แพงพ่อกับแม่ดีใจมากๆหลายวันต่อมาหลังจากที่ครอบครัวเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านมีเสียงดังตู้มพ่อคะพ่อคะพ่อตุ้มเรียกพ่อเสียงดังมีอะไรลูกพ่อได้วิ่งขึ้นมาหาลูกมีอะไรลูกพ่อถามลูกด้วยความเป็นห่วงฉันวางหนังสือนะคะฉันวางหนังสือมันหล่นค่ะอยู่ดีๆมันก็นหล่นลงมาเองเธอบอกพ่อด้วยน้ําเสียงตกใจมาก ลูกแน่ใจเหรอพ่อถามเธอเพื่อความแน่ใจแน่ใจครับพ่อหนูจะโกหกพ่อทำไมล่ะคะเธอบอกพ่องั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันยกขึ้นดี ก, กว่าเนะได้ค่ะแล้วพ่อกับเธอก็ช่วยกันยกชั้นวางหนังสือขึ้นเสร็จแล้วพ่อลงไปข้างล่างก่อนนะพ่อบอกแล้วพ่อก็ลงไปข้างล่างพอตกดึกเสียงเงียบสงัดอยู่ๆเสียงหมาหอนก็ดังมาจากนอกบ้าน โอ้ยจะมาขออะไรตอนนี้เนี่ยเธอพูดด้วยความหมงุดหงิดฮ่าฮ่มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเสียงเด็กปริศนาลอยมาจากข้างนอกใครมาเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยเธอคิดในใจมาเล่นกันนะมาเล่นกันนะเสียงเด็กยังดังขึ้นมาอีกเหมือนจะอยู่ใกล้ๆหน้าตา่างเธอจึงเดินไปดูที่หน้าตา่างเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่เห็นใบหน้าไม่ชัดยืนอยู่หน้าบ้านของเธอ ที่มือถือของเล่นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเธอเริ่มตกใจกลัวจึงรีบเดินไปขอ น, นอนด้วยที่ห้องของพ่อกับแม่นี่พ่อพ่อว่ามันแปลกไหมแม่ถามพ่อด้วยความสงสัยแปลกยังไงแม่ก็ทําไมเจ้าของบ้านก็ทําตัวแปลกๆนะตอนที่เราโทรไปจะขอดูบ้านและอีกอย่างวันนี้ก็มีเรื่องแปลกๆอย่างชั้นวางหนังสือที่ห้องลูกหลนและ ว, วันนี้แม่ยังได้ยินเสียงคนร้องไห้อีกนะพ่อแม่บอกพ่อแต่เธอแอบได้ยินพ่อแม่คุยกัน โทรแม่คิดไปเองหรือเปล่าเรื่องชั้นวางหนังสือนะ่าอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ได้ส่วนเสียงคนร้องไห้นะ่ะแม่หูฝาไปเองหรือเปล่าพ่อบอกพร้อมปลอบใจแต่แม่ว่าแม่ไม่ได้หูฝาดนะพ่อแม่พยายามยืนยันกับพ่อจะจะพ่อเชื่อว่าแม่ไม่ได้หูฝาดพราะว่านี่กระดึกแล้วเรานอนกันดีกว่าเนอะพ่อบอกพร้อมกับปิดไฟนอนส่วนเธอหลังจากแอบฟังแล้วก็อดที่จะคิดไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนี่นาะ หลังจากนอนหลับไปสักพักเธอก็ได้ยินเสียงดังเรลงดังขึ้นที่ห้องนอนข้าวฟ่างแล้วจู่ๆไฟก็เปิดขึ้นมาเองทั้งหมดสามคนต่างพากันออกมาจากห้องมองหน้ากันถามกันเองเฮ้ยก็ใครเปิดไฟน่ะพวกเราทั้งสามคนพูดด้วยความตกใจเสียงมาจากห้องข้าวฟ่างนี่พ่อให้เราเรียกไปดูกันดีกว่าแล้วเธอกับพ่อกับแม่ก็ได้ไปที่ห้องของข้าวฟ่างฟังลูกแม่ แม่รีบเข้าไปก่อนลูกฟังเป็นอะไรไหมลูกแม่รีบปลอกพร้อมถามกระจกนั่นอยู่ดีๆกระจกมันก็แตกเองค่ะแม่ฟางพูดด้วยความกลัวไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกไม่เป็นไรนะขวัญเอ้ยขวัญมาแล้วนี่กระจกมันแตกได้ไงฟางพ่อพูดด้วยความโมโหฟางก็ไม่รู้เหมือนกันครับพ่อจจู่ๆฟางก็ได้ยินเสียงเด็กบอกมันเล่นกันเถอะมันเล่นกันเถอะแล้วจจู่กระจกมันก็แตกเองแม่ว่ามันแปลกมากขึ้นทุกทีแล้วนะพ่อ เดี๋ยวระยะยไปอยู่ที่อื่นเถอะนะพ่อนะยังไม่ทันที่พ่อจะได้ตอบอะไรจู่ๆก็มีเสียงดังเพล้งขึ้นอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ว่ามันดังทีๆสัก5าครั้งเห็นจะได้พวกเธอตกใจกับเสียงที่เกิดขึ้นจึงพากันออกมาดูข้างนอกสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเศษกระจกของบ้านเหมือนถูกอะไรคว้างจนแตกทุกบานและสิ่งที่ทาให้เธอแทบช็อก ค, คือเธอเห็นภาพถ่ายของเด็กผู้ชายประมาณเจ็ขวบวางไว้ตรงกลางบ้าน เธอค่อยๆหยิบภาพนั้นขึ้นมาดูเธอยืนตัวชาภาพนี้มันกับเด็กคนนั้นที่ชวนเธอออกไปเล่นที่หน้าบ้านไม่นานนักจู่ๆไฟในบ้านก็ดับดับติดติดทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีพายุขเข้าหรือฝนตกเธอฟ้างและพ่อแม่เห็นเด็กผู้ชายยืนอยู่กลางห้องรับแขกในบ้านหลังนั้นและกวักมือพร้อมกับพูดว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันนะเด็กคนนั้นพยายามเดินก็มาหาเธอกับฟางเธอ แม่พ่อยืนกอดกันกลมตัวสัน่นก่อนที่พ่อจะพนมมือไหว้ขอเถอะนะอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเรากลัวแล้วพวกเรามาดมาีมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเสียงเด็กชายคนนั้นยังดังซ้าๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพ่อท่องคาถาชินบัญชรสวดไปมาพร้อมกับแผ่เมตตาให้สักพักเด็กคนนั้นก็ค่อยๆหายไป ทิ้งไว้เพียงแต่ร่องรอยของเศษกระจกที่แตกเต็มพื้นกับรูปภาพของเด็กคนนั้นพ่อเราไปจากที่นี่กันเถอะนะพ่อนะฟางกลัวเป็นหมดแล้วครัพ่อฟางบอกพ่อตุ้มก็กลัวเหมือนกันครับพ่อตุ้มก็ได้ยินเสียงเด็กชวนให้มาเล่นเหมือนน้องคะ่ะได้ได้ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีบย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้กันนะลูกพ่อพูดแล้วเอามือลูบหัวลูกเช้าวันต่อมาแม่เสร็จหรือยังจะ๊ะพ่อถามแม่เสร็จแล้วจ๊ะพ่อไปกันเถอะฟางตุ้ม ค่ะแม่เธอสองคนพี่น้องตอบรับพร้อมกันแล้วทุกคนก็ออกจากบ้านไปขณะ ก, กำลังขับรถจะออกจากบ้านเห็นป้าเดินผ่านมาป้าแกถามว่าอา้าวจะไปไหนเหรอพ่อกระตอบว่าจะไปหาที่อยู่ใหม่จ้ะป้ามันก็สมควรที่จะหาที่อยู่ใหม่นะไม่ควรเลยที่จะมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่นี่พ่อคุณไม่มีใครบอกคุณหรือว่าบ้านเช่าหลังนี้นะเฮี้ยนจะตายคิดดูนะพ่อแม่หายไปจากบ้านไม่รู้ไปไหน ทิ้งลูกไว้ในบ้านคนเดียวแล้วล็อกกรอนเหมือนขังลูกไว้ในบ้านเด็กคนนั้นก็ตายพวกเรารู้เพราะกลิ่นเหม็นเน่าโฉยมาจากบ้านหลังนี้เลยแจ้งมูลนิธิให้เข้ามาดูน่ะโอ้ยไม่มีใครกล้าอยู่หรอกคุณบ้านหลังนี้น่ะหลังจากที่ทั้งหมดได้ฟังเรื่องราวของบ้านเช่าหลังนี้การหาบ้านเช่าหลังต่อไปพ่อแม่ของเธอจึงต้องสอบถามเรื่องราวก่อนที่จะเช่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอแจ็คพอตอย่างที่ผ่านมา ไม่แน่บ้านที่คุณเช่าอยู่อาจจะมีเจ้าของบ้านคนเก่ามาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นะหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ